สิกขาบทวิพังห้าร้อยยคำว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใดคําว่าภิกษุเมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุในความหมายนี้ที่ชื่อว่าเตียงได้แก่เตียงสี่ชนิดคือวงเล็บหนึ่งเตียงมีแม่แคร่สอดเข้าในขาวงเล็บสองเตียงมีแม่แค่ติดอยู่กับขา วงเล็บสามเตียงมีขาดังก้ามปูวงเล็บสี่เตียงมีขาจดแม่แคร่ที่ชื่อว่าตังได้แก่ตังสี่ชนิดคือวงเล็บหนึ่งตังมีแม่แคร่สอดเข้าในขาวงเล็บสองตังมีแม่แคร่ติดอยู่กับขาวงเล็บสามตังมีขาดังก้ามปูวงเล็บสี่ตังมีขาจดแม่แคร่ที่ชื่อว่านุ่นได้แก่นุ่นสามชนิดคือวงเล็บหนึ่งนุ่นจากต้นไม้วงเล็บสองนุ่นจากเ้าวันวงเล็บสามนุ่นจากหญ้าเหล่า คำว่าทำคือภิกษุน์ทำเองหรือใช้ผู้อื่นให้ทาต้องอาบัตทุกกฎในขณะที่ทาต้องอาบัตปาจิตตีเพราะได้มาต้องรื้อเสียก่อนแล้วแสดงอาบัต